ถูกบงังในบอกไปแล้วว่าจะเพียงมาพูดกันเป็นผนงานการกระทำในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะโดยส่วนมากผมก็เป็นสาวพุทธเปิดมาแล้วพ่อแม่ก็ถือศาสนาพุทธ ผมบรูจกักขมาพุทธศาสนานะคือห่ังนี่ผมบรูแต่แท้และมาได้ยินครูบาอาจารย์หลายทานวา่าดีว่ า, าศาสนานี่มีเปลือกมีกระพี่มีแกนและมีแกนใจกลางของมันนะ่นเพ่อนว่าันนี้เป็นคำพูดของผู้อื่นอันเนี้ยมันนี้เพื่อนว่า การให้ทานการรักศาสนรรมสมถะกรรมฐานอันนั้นเป็น ก, ก่ดเป็นพุทธศาสนาคือกันผมก็เพียงเข้าใจกับมูเพิรนซื้อเรื่องนี้บมเมนผมรู้ของผมผมรู้จำมารู้จักกับคนอื่นว่าให้ฟังเรื่องนี้ต่อมาผมได้มาเจริญสติแบกง่ายๆ ให้ว่าง่ายสำหรับจ็่ผมบนอื่นอาจจะวัญญากรได้เพราะว่าในระยะเมื่อไปปฏิบัติธรรมนั้นมีพระจำนวนยี่สิบสามรูและกรบมยโยมห้าคนคมรู้นะมูคือกันคมมันเป็นคนอีกแบบหนึง่งรูแวกแนวมูไป ตอนลู่แวกแนวเนี่ยผมทิ้งคำลุูผมทั้ ง, ตงแต่ก่อนก้อนผมทิ้งมดผมตั้งใจเค็ดรอเบืองซือ้ออย่างที่ผมลู่มานั้นผมว่าผมลู่ตามผมจริงที่แรกผมลู่เรื่องลู่เรื่องน้ำนี่แหละก้อนก้อนกีรูนั้นแม่งป้องหรือแม่งงอดเนี่ยตกใส่ขาผม ผมเลยเกิดมีความคิดพิจารณาแมงปองแมงงอดนี่ก็เป็นรูปเป็นนามมันก็มีกายมีใจคือกันกับเราข่าของเราเนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีกายมีใจกันกับเราผมก็เลยรู้จากรูปอันนี้อันรูปกระดาษนั้นโบแมนอันนั้นเป็นรูปภาพโบแมนรูปขนมันเป็นรูปภาพผมเข้าใจอย่างนั้น รูปจริงคือขาเหล่านี้คือตนโตเหล่านี่อันนี้เป็นรูปเป็นนามนามกับรูปนี่มันติดกันอยู่นี่อันนี้เป็นรูปนามผมเข้าใจไหมเมื่อหูจักรูปนามนะครับหูจักรูปทำนามทำอันรูปทำนามทำก็เป็นรูปเหล่านี้แหละอิทึ่มทำดีทำซัวอทำดีก็เป็นรูปอันนี้ทำทำซัวก็เป็นรูปอันนี้ทำผมก็เลยรู้จัก โอ้ลูปทํานามทํานี่มันก็แม่งคนนี่อีตื้นลูกโลกนามโลกวะท่านมันนี่โลกเจ็บหัวปวดทองก็แม่งคนนี่เป็นอีตื้นสัตว์ก็เป็นมั น, นเป็นโลกคือกันเมื่อรูปนี้เป็นแล้วใจจะบ่สบายอันนี้มันเป็นเรื่องรูกโล ก, โลกนามโลกสนิดหนึ่งโลกอีกตื้นสนิดหนึ่งร่างกายสบายครับโบเจ็บหัวโบปวดทอง คิดฮักโพกนั้นคิดสั่งผู้นี้พอใจอย่างนั้นบ่พอใจอย่างนี้อันนี้บรมรูปเป็นโลกอันนี้ครับจิตวิญญาณเป็นโลกเนี่ผมเข้าใจมาย่างสิเมื่อเข้าใจมายังสิก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตาทุกขังอันนี้จังอนัตตาย่างเพันวัตทุกพนไม่ไหวอันนั้นกระทุบและพันวัตทุกนานานานะทุกขะเวทนา นั่งมานานนะทุกข์เวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ลำไภ่คิดถึงพี่ถึงน้องเป็นทุกข์อันนั้นโบแมนโบจัดเขาในรูปทุกขงังโบจัดเขาในรูปอนิจจังโบได้จัดเขารูปอนัตตาผมจักผู้เดียวผมอเนี้ยผมบม่ได้จัดกับตาําราตัวทุกขงังตัวอนิจจังตัวอนัตตานะั่นคือตัวหันนั่งอยู่ซื่ อ, อเนี่นะครับนั่งอยู่ซื่ อ, อในจิตขล่ยอยู่บ่ใดครับ ผมพลิกมือขึ้นคขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาผมรู้จักอันนี้มันเป็นทุกข์ทุกไปวัดทนไม่ไหวเลยผมบุกเคยรู้จักอันนี้เป็นทุกข์แต่ก่อนครับบัด น, นี้ผมมาพลิบตาลองเบึง้งพลิกตานี่ก็เป็นทุกข์อีกทุนมันทุกไปว่าทนไม่ไหวมันเป็นอย่างซีอยู่ตลอดมาเราทําไมจึงบกหูอันนี้ได้ว่าเราจมอยู่ในทุกข์เราอยู่ในทุกข์ เราเขา้าไปอยู่ในผมทุกเราก็เลยบูออกจากผมทุกได้ก็เลยบูเห็นผมทุกผมเลยเตีย้ยเอาไว้ว่าผมนี่อยู่ในมุง่งกลางมุง่งและผมนอนอยู่ในมุงน่งหลบหนงหลบเีนเีนนี่คือว่าเล่ม น, นะจ๊นะลีมยุงเป็นภาษาการแล้วผมหลบเข้าไปอยู่ในนั้นเฮนยุงเลยบูไปกัดผมผมก็เลยบูเข้าจักเีนบูเข้จากยุงบันนี้ผมออกจากมุ่งมาอยู่ข้างนอกบันนี้เฮนมันกัด ยุงมันกัดกันว่าเลี้ยุงกับพอที่จะเข้าใจแลยครับมันมากัดเราเมื่อมันมากัดเราก็ ร, ารู้จักว่าทุกข์ทุกนี่ก็หมายถึงว่าทนไม่ไหวอันนั้นมันบมแมสอนะตัวเลีนตัวยุงมากัดแเราไล่มันหนีได้บมจัดเข้าไปในทุกขังอันนี้จังนัตตาจัดอยู่ในรูปทุกขเวทนาทุกโซกโสกาทุกให้ลำภัยผมจัดผู้เดียวผมเนี่ตัวทุกขัง ตัวอนิจจังตัวอนัตตานันคือตัวพิษตานี่เป็นตัวทุกตัวพิษตาเลือดส้ายแลหัวพิษขึ้นพิษหลงนี่เป็นตัวทุกขงังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนัตต์ผมเข้าใจานันตอนนี้ตัวมาหายใจเข้าหายใจออกหลวงเต๋อก้อนนั้นผมทำพุทโธผมรู้เข้าใจว่าหายใจเป็นทุกข์ครับผมทํามานานพุทโธของยุบนี้ ผมทำมานานผมบนรู้จักว่าอันนีเป็นทุกข์บัด น, นี้ผมมาหายใจบ้งมันเป็นทุกข์มันจัดอยู่ในรูปทุกขงังรูปอันนี้จังรูปอนัตตาทั้งนั้นมันเป็นรูปอันนี้บัด น, นี้สิ่งนี้คนอื่นมองเห็นเช่นกรรมมือพลิกมือนี่คนอื่นมองเห็นย่างยากที่สุดมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้ผมเข้าใจาสันวาศาสนานีมีเปลือกมีกระที้มีแก้มีแกน บันนี้ผมมาพิบตาเบืง้งพิบตากับกำมือเนี่ยพิบตาละเอียดเข้าไปแล้วบันนี้มันเป็นซันเป็นซันเป็นเปื้อกเข้าไปบันนี้ผมมาหายใจเบื้อเนี้หายใจมันพ้นละเอียดก็พิบตาเข้าไปแล้วบันนี้มันละเอียดเข้าไปอย่างนี้บันนี้คิดคนอื่นบ่เห็นรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้แต่เฉพาะเราเท่าทนั้นคนอื่นมองบ่เห็น นี่จัดอยุเรยรูปทุกขังอันนี้จังนัตตาทั้งมัดมุนีครับทุกอันนี้พัฒนาบไดาพัฒนาบไดาตอนนี้ตอนทุกความพอใจบอบพอใจได้พัฒนาได้ตอนทุกการเคลื่อนไหวทุกขังอันนี้จังนัตตาอันี่พัฒนาบไดายด้วยกันเลยเบื่อครับเบื่อการเป็นคนเบื่อการเป็นสัตว์ เห็นสภาพสัตว์และสะภาพคนนี่มันมีการเคลื่อนไหวจมอยู่ในทุกขังนิดเมื่ผมเห็นอย่างนีผมก็เลยอุย้ยคนนี่มันยักมาเกิดทำบุญและอยากมาเกิดนี่อยักมาทุกข์เหนั้นผมได้เห็นสภาพเส้นนี้ครับจึงว่ามันบตรงกับตำราก็ไดหรือว่ามันตรงกับตำราก็ะไดผมก็เลยออผมจริงเป็นอย่างตันจิบจิบพอดีมาหู้จาัาสันแล้วผมก็เลยรู้จักสมุด สมมุตินี่มีมาไม่สามารถที่จะเอามาพนานานาได้ผมได้ยินคูบาอาจารย์เล่าสู่ฟังว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าผ่าภิกษุเดินไปในป่าเนอวอ่าพระพุทธเจ้าเลยเอามือล่วงลงกมเอาใบไม้แห้งเทียมกำมือเดียวแล้วยก มือขึ้นมาถามภิกษุจํานวนไปกับพระบริเจ้านั้นหลายรูปพูดว่าภิกษุทั้งหลายท่นใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเราตถาคตนี้เอามาเปเรียบเทียบกันเนี่ยอันดจะมากน้อยกั่วกันภิกษุที่จํานวนไปกับพระบริเจ้านั้นกลับ ต, ตอบพระบริเจ้าว่าใบไม้ในป่านั้นมีมากครับ แต่ใบไม่ในกำมือของพระกรถาคตหรือพระพุทธเจ้าหรือพระองค์และต่จิวานน้อยนิดเกินไปครับพระองค์ก็เลย ต, ตอบพวกทิกสูจจำนวนนั้นน่ะความรู้ที่เรารู้มานั้นมากหาประมาณมีได้แต่บรแกถูกบดใดสำหรับที่จะเอามาสอนพวกเธอ ให้รู้แก้ทุกข์ได้ก็ศึกษาที่ตัวเองนี่แ่ละเริ่มเข้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอลไรแบนครับที่วานบันนี้ตัวรูปนามทุกขังอ น, นิจจนาตาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโบมแมนโนโบมแมนนะครับขันอารมณ์ของวิปัสสนานะเพคุณว่าเอารูปหรือเอาขันห้ายกมาเป็นอารมณ์ตำลาคบเลียนอะไรแบบนันอันนั้นแม่นน้อยโบมแมนลายอันนี้แม่นร้อยเอร์เซ็นอันนี้ครับ ลอยเปิดเศษผมรับรองได้ครับเน <N> ี่ยพอดีรู้เรื่องสมมุติแล้วคนซัวทําซัวคนดีทําดีพูดซัวทําซัวคิดซัวมีหลายอย่างครับนี่เป็นเรื่องสมมุติทางนั้นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นสมมุติพูดทางนั้นพระทรงองค์เนนเป็นสมมุติพูดทางนั้นผมเข้าใจอย่างเต็มสมมุติ แล้วกรนี่บุคคลกับสมมุตินี้โยตสมมุติจึงมีมาเหมือนกับใปไม่ในปา่าผมจึงรู้จักสมมุติบัญญัติและประารมัตบัญญัติอัฐะบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติบัญญัตินั้นคนรูจักยูในน้อยทำรู้จักลายสมมุติว่าวัดนี่ส ม, มุติแต่ไม่มมรู้จักสัก บ, บางคนนะ่ะว่าไม่นของจริงมาสมมุติพระทรงที่เขาบวชเนี่ยกะว่าไม่ของจริง ม, มา ผมเองคู้หนึ่งครับบนได้ว่าผู้อื่นเน่ยผมมีเงินแต่ก่อนครับเงินเหรียญเงินขันเงินหางเงินน้ำหนักเจ็ดสะดึงซี่สะึงพออมัดลอ่อพระผมนึกว่า น, นั่นเป็นของจริงเพราะว่ามันได้บุญมาพราะเนั้นยังบบพอใจเท่านั้นก็ได้ครับซื้อทองคำมาลอ่อพระทองคำอีกจึงทนึงก็ยังโบพอใจ กันย่งว่ายุใส่หัวบุญแล้วบูหัวจักบุญครับมันเป็นเพียงสมมุติมันเป็นวัตถุอันนั้นครับบูหัวจักบุญคือว่าเอาบุญก็เลยบูถือบุญจักคือบุญอายุสี่สิบหกปีผมจับบุญถูกเลยครับตั้งแต่อายุรอดทองแม่ผมมาถึงอายุสี่สิสี่สิบหกปีนี้ผมบูหัวจักบุญบูหัวจักบาบูหัวจักยังครับคือมานําพอนําแม่คือมาซื้ออันนั้นครับ บันนี้เมื่อรู้จักสมมุติแล้วครับโบอสองสัยเรื่องสมมุติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องบวชเรื่องศิบเรื่องพระสงฆ์องค์ น, นี้ผมโบอสองสัยเห็นหตครับโบอสองสัยจริงๆเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้บาปรู้บุญโลดครับผมรู้อันนี้จริงๆบาปคืองโง่ว่านผมวันบาปคือมืด บาปคือบุรู้จักบาปคืออันบุรู้จักไม่ให้เงากระผิฐทุกๆุไปในบาปนั้นเพราะยี่ว่าโมฆะเขว่าโมฆะนี่ก็แปลว่าไซโบได้ครับอันไซโบไดกับบาปในอันเดียวกันนี่ครับผมเข้าใจอาจารย์โมฆะบุรุษโมฆะสตรีอาจารยถ้ากเป็นผู้หญิงคนเอิญโมฆะสตรีถ้าหากเป็นผู้ชายคนเอิญโมฆะบุรุษอันนโมฆะนี่แปลว่าไซโบได เ, เคยได้ยินโมฆะบุรุษกัมพีเปาไบาลานเปาเนี่ยคุบาเคยเล่าสูกฟังอันเฮาเฮทําเนี่ยถ้าเฮดโบทุกทำโบทุกแล้วเป็นโมฆะเป็นภันวา่าใส่โบได้เลยครับก่อนที่จะใสได้นั่นคือการเจริญสติเจริญปัญญาเรียกว่าเจริญีิปัฒนานี่หละใสได้จริงๆครับ ผมเลยรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยครับบาปคือโง่บาปคือมือบาปคือบุญหุจักอันบุญหุจักรทะเอเอื้นโมฆะทั้งนั้นอันบุญ ล, ลูกทะเบอเอื้นโมฆะทั้งนั้นน่ากลัวน่าวาดเสียวน่าตกใจที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าโมฆะบุรุษเนี่ยครับน่าตกใจน่าสะหล่ใจจริงจริงครับผมรู้เรื่องนี้อันเน่แปลว่า ทูกต้องกับตำรา ก, ก็ได้บททุกต้องกับตำรา ก, ก็ได้เพราะผมมั่นใจว่าปฏิบัติอย่างพอดีผมรู้อย่างนี้ผมเลกได้มดครับผมโ่ย่านผีว่ย่านไส้หนังบังฟันงวพนูคูหน้าน้อยโอ้ยผมบ่ย่านแท้ๆครับแต่เพราะนั้นผมย่านย่านผีผมคิดเปียกได้อย่างหนึ่งครับหมามันก็เคยกลัวผีครับ หมาบ่าเคยกลัวผีบ้านผมเอิญตายเฮปเ่าเฮลมันออกคนตายไปฝังไปจูดเอิญตายเฮลป่าผีลอกหรือป่าซานหมามันเข้าไปกินกินคนตายกินเนื้อกินอย่างได้สบานคนทําไมวิายญานเนี่ผมเข้าใจอย่างดีเอะคนนี้คันว่าจิตใจสูงมันตัํากับหมาแต่ว่าอา่ารย์ผมว่าหมามันบ่เคยย่านผีแล้วคนยังไปย่านผีแบบ น, นี่ย เอ๊ะแสดงมาเหล่านี่โง่โกมาไปเสแล้วข่าวนี้ผมเลยว่าแสดงเจ้าของโง่โกมาบวได้ว่าให้ผู้อื่นได้ครับันี้ผมรู้จักทุกจริงจริงข่าวนั้นผมติดบุรีครับสู้ยา ก, กระป๋องไปซื้อเอาเวียงจันทร์มาสู้อันนี้ผมก็แสดงว่าผมงโง่ผมรู้จักทุกหายใจเข้าท้องนี่ก็เกือบตาอยู่แล้วเมย์ว่าฉันทุกเนื้อฉัน กินเข้าลงไปที่หูคอที่มีซองหูหูนึ่งเป็นลมออกหูหนึ่งมันเข้าไปไหนผมเห็นในใจแต่บมได้เห็นด้วยตาด้วยใจมันสามารถที่จะมองลงไปทะลุไปได้ครับเมื่อกืนเม็ดเข้าลงไปแล้วลมมันออกทันวันนี้หฮากืนลมลงไปทั้งนั้นมั น, มนไปทะมูลมันออกมาสิผมเข้าใจาตรงนั้นแต่โบมิแม่ตาทิพย์ได้ครับอันนี้บมิแม่ตาทิพย์คือมุขพันวาตายและแบกเกิด์ซานนั่งซานนี่บเมียนนั่งกัน ผมรู้จักด้วยปัญญาอันหนึ่งครับด้วยสติด้วยปัญญาสามารถเจาะลงไปซึ่งครับบริเวณขุดเจาะลงไปคือขุดหน้าบาดาลในบริเวณทางตอนครับมันหักสามารถมองลงไปอย่างนั้นคื่นน้าลายลงไปอืมเดี๋ยวมันมีงาางนุงลงออกถังนึงน้ำลายยังลงไปได้บัด น, นี้เราหายใจเข้าไปที่มันออกมาถังนี้มันเป็นคนเล่าภูกันผมเข้าใจอาจารย์ถังวิทยาศาขตรเจ้ามีเคือง เอ็กซเลเมื่อผมไปเอ็กซเลเขาเจ้าเอามาเว้าสู่กันฟังหมอจากสิบคนผมเกิดปัญญาขึ้นนำข้าเจ้าคนนึ ง, อ, น ง, นงอันนี้กระดูกว่สัสดอันนี้มันเส้นอันนี้มันเอ็นอันนี้มันปอดว่สัสดุขาเจ้าว่าปอดผมแต่กระเพาะตี้ว่สัสดมันมองว่เห็นได้ครับอันนี้ขาเจ้าออกเครื่องแอ็กซเลไปท่ายออกไปขาเจ้าเห็นโอ้วิทยุเออวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถมองเห็นด้วยตาส่วนปัญญานี่ มองเห็นด้วยปัญญาแต่ๆครับเรื่องจิตเรื่องใจวิทยาศาสตร์ไฟสายเอเสเลยโบได้เอาจิตเอาใจเอาวิน ญ, ญาณไปพิจารณาโบได้ครับเอาจิตเอาคลุมคิดไปพิจารณาโบได้บัดนี้เรื่องสติปัญญาอันนี้มันสามารถพิสู้เรื่องสติปัญญาเรื่องกลุ่มคิดได้ครับจากนั้นผมเลิกได้เด็ดขาดรับรองร้อยเปอร์เซนทีเดียวครับเดือนอผมเลิกพุกได้ผมบ่าว่าผี ตั้งแต่มือนั้นมาเทวดาผมก็บวว้ครับผมบวว้ไผทั้งมดใครว่าในโลกนี้ผมบไว้วานทั้งมัดรับไหว้ห ย, ย่งตั้งหลวงพอมาไหว้พระชุม่มเนี่ยผมเคารพตัวเองเคารพว่าเจ้าของทําดีแล้วแบบนี้ใครซีว่าทําซั่วกระทสร้างแล้วเรื่องสมมติครับผมก็เลยว่ายกมือขึ้นกับเคารพตัวเองว่าเห็นมาใจตัวเองนี่ดีแล้วอย่างยกมือขึ้นไหว้หมูได้อะไร น น, นโมตัสสะนั่นว่ากัน น, นโมตัสสะพระคาว่าโตนแต่ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นะรหาโตนแปลว่กไก่จากกิเลสสำ ม, มาสัมพุทธสัพระพุทธเจ้าตัดสั้เองโดยชอบว่าเพนรูจริงเพอนเขาลกตัวของพ้นจริงเขายกมือว่าเนี่ยเข้าใจเขาดีแล้วครับันนี้เป็นการเขารบผลทั้งโลกเลยครับ เนี่ยไก่จะกีนได้ไก่จะฆ่าศึกใครที่ตีก็เขาห้อยยกมือไว้อยู่แล้วตีก็จําเป็นแล้วครับพลไหวัยขับเจ้ากิ่ตีกี่ฆ่าขัเจ้ากี่ดาเขาเู้าใจสมมติเนี่ยครับเรื่องความตายนร่ผมจึิงเอกลัวตายบวกลัวผีบวกกลัวเทวดาพี่มันเวดดีผูกเหงินอยู่ได้ป๊อปบอดาเทวดามันดีเฮ็ดนาเป็นบ๊อโบยเฮ็ดเป็นซําปูบนนอนเป็นป๊อตั้งเสื้อตั้งผ้าเป็นบ๊บปเป็นซําเนี่ย ห่มามันจึงบกกลัวผีบกกลัวเทวดาคนในให้ได้จะกลัวผีกลัวเทวดาครับเบอร์ห น, นึ่ลองคิดเดงเมยครับงู้ทันขจีว่าไปขออภัยจากน้อยเลยครับเรียนปริยาเมนบอคับได้ปริยาได้ปริยาหลายคนเมนบอยู่น่นีครับได้บอครับมีหลายองคอ์ยู่บอได้ปริยาครับปริยาตรีปริยาโถได้หลายคนเมนบอคับได้บางคนครับเอ๊ แล้วกันยังโบ้เข้าใจยังยานอยู่นะยานมีประโยชน์เป็นยังมันให้อย่างซ อ, อยเขาเฮียนหนังสือเทวดามาเฮียนซอยบอ้โบ้เฮียนเอเองบ้ต้องไปเสื้อลือกงามยามดีโบ้เสื้อแท้มผมอะ่ะตั้งแต่มือ น, นั้นผมโบ้เสื้ออันนี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเบื้องต้นที่สุดเป็นเปื้อกเป็นกระพี้มอนอันนี่ครับนี่ที่ผมบอให้ฟังมือนี้นะต่อจากนั้นผมเป็นวิปัสสุนตตอนเป็นวิปัสสุนตนี่ผมบุรุษผมแสดง ทำให้เทวดาฟังเนี่ยมันรู้นอกตัวแล้วมันออกจากตัวแล้ได้ไหมครับมันไปติดข่มรูอะไรแบบ น, นี้แสดงทําให้พี่ฟังแสดงทําให้คนมีปัญญาฟังแบบ น, นี้เอาแล้วมันลืมตัวมดืดเลยไม่รู้จากตัวอะไรแบบ น, นี้อันนี้พูดว่าคนลืมตัวคนลืมตัวนี่พูดว่าเอ้อนคนประมาทคนประมาทนี่ถึงมีชีวิตยืมกับมือกับคนตายแล้วอาจัรยมันเนา่ามันเหม็นมันสามารถ้าไปทุกสิ่งทุกอย่าง พอตอนแรงมาครับพอบันนี้ละครับผมอาบน้ําแล้วผมมาเดินชมคมคล้ายๆคือผมคิดมันคิดหมึดมึดประโยคบมันครับผมพอเห็นผมคิดผมเข้าไปในกลวงคิดคิดรู้อันนั้นคิดรู้อันนี้เดินไปมุ่นแหลงมานะคล้ายๆคือมีคนมาผักมาสุกหรือมายูว่าทางกระไดครับวูบค้างนี่ครับเพ้ยมันนี่อย่างมาต่ํำนี่ มาตํากับมาชนอันเดียวกันเนี่ยครับมาต่ําเอามาชนเอามาผักมาดันเอาคําเดียวนะครับภาษามันสมมุติครับผมเลยหาหาเบาเห็นครั้งแรกที่สุดครั้งที่สองนี้่รูแต้นอย่างโบนเอนอนครั้งที่สามนี่โอ้มันคิดมาจากที่นี้อ่ไรสินกูที่คอยมองมึงจังอยู่ที่นี่บ้านนี้เหตุคือแมวกับหนูนี่มัน แมวนี่มันเห็นหนูแต่เหมือนบไ่ได้เบิ่งหนูมันเห็ดเซยมันทรงหลักตาอยู่ว่าแต่แมวเซยไปแล้วหนูมันเพิ่โตครับหนูมันกระโดดมาแมวมันจับย่างแรงปุ๊บหนูนี่กรดิกตัวโบได้เลยครับบัดนี้ผมกระเซยเดินไปเดินมาโบสนใจกับผมคิดแต่เบิ่งเล่นเล่นเหมือนกะนทำเล่นเล่นมันคิดมาปุ๊บรู้จักปั๊บมันคิดมาปุ๊บรู้จักปั๊บ ผมก็เลยรู้จักโอสมุทามันอยู่ที่นี่ว่าสันอันนี้แหละเป็นแผ่นดินนสันผมเข้าใจวัตถุหมายถึงแผ่นดินวัตถุหมายถึงต้นไม้วัตถุเนี่ยมันมากที่สุดหมายถึงสิ่งของที่มองเห็นด้วยตาก็ได้มองไ่เห็นด้วยตาก็ได้วัตถุนี่ครับปาลมัะหมายถึงของจริงของแทบ่เปลี่ยนแปลง จะมีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทางสันโบมีพระพุทธเจ้าก็เป็นทางสันเหนือกสมมุติเรียวกว่าเป็นปารามัดอาการน่ะสันหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวอยู่อย่างสันผมรู้จักจิตใจผมคิดแล้วนี่ครับตอนนี้แหละผมรู้จักพอดีผมเป็นอย่างสันแล้วผมก็รู้จักวัดถูรู้จักปรมัดรู้จักอาการก็เลยปรากฏขึ้นมาใ น, ในใจิตใจเห็นแจ้งรู้จริงโพสะ เป็นหลักษณะนี้โมหะเป็นหลักษณะนี้โลภะเป็นหลักษณะนี้เมื่อบ่มีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะแล้วเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้จักเวทนาขึ้นมาเวทนาบ่มีตนบ่มีตัวได้ครับพคำว่าเวทนาสเสวยอารมณ์การเคลื่อนไหวอันนี้เขาเขึ้นเวทนาก็แมนอยูค่ครับแมนแต่หักบม่มแมนอันที่ผมเรานี้เวทนาหมายถึงบ่มีตั ว, วเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเป็นนามรูปโบเป็นรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็อื้อขันห้าขันห้านั้นมันเป็นรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฮียนอันนี้ครับตอนผมรู้นั้นมันโบได้รู้แบบนี้รู้รู ป, รปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้โบต้องมาว่าก็มาจบแล้วมันจบเรื่องสมมุติเรื่องเลิกมากภูบรีเรื่องไหว้ผีไหว้สัง่ง กลัวเทวดามู้นนี่มันมึดแนวครับมึดแนวรูกกับเรื่องรูตามรู้อันนี้นี่แปลว่ารูเปลเือกมาเห็นของคิดเนี่ยรูหมอกมันเข้าไปในเนื้อไม่แล้วครับเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโบต้องมีทุกข์และปัญญาเพราะว่าโทสะโมหะโลภะมันโบนี้วะญญ <c oughs> ในขณะมันมีนั่นเป็นอย่างทงนะเราหลงเราโบาได้เบิ้งจิตเบิ้งใจโบได้เบิงบเบ้งชีวิตเขา ผมเข้าใจอย่างไรในขณะนั้นผมรู้จริงๆค่ะน้ำหนักผมร้อยกิโลเบาขึ้นหกสิบกิโลอย่างน้อยที่สุดก็สัมคมทำลายสิ่งลงผิดมือได้แจ้งขึ้นมาแต่ว่าคำว่าแจ้งนี่เหมือนกับกลางวันนี่วัต ก, กรรมไหนครับแจ้งนี่เหมือนกับมีไฟสายโบกเกอแมนคำว่าแจ้งนี่หมายถึงว่าเห็นแล้วโบส่งใส่แล้วครับคำว่าแจ้งรู้แจ้งรู้จริงนี่จริงแท้ๆครั บ, รบเรื่องนี้ครับเลย เบาแต้คันห้าผมว่าเต็มตัวผมแล้วผมเบาแปดสิบกิโลครับยังเหลือยี่สิบกิโลที่มันหนักที่มันผมยังสงสัยยูมีน้อยที่สุดที่ผมมองได้บ้ได้เกี่ยวข้องกับยังธรรมบุตว่าจะเกี่ยวข้องเรื่องทุกได้ครับบุญนะั้นมันเป็นอังซี่บุญอันนี้เรือบุญครับบุญนั้นผู้ใดามาเบื้องจิตเบื้องใจตัวเองเห็นจิตเห็นใจตัวเองมันนึกมันคิดอันนั้นเรือบุญครับ เพราใดเนี่ยบ uh ja ่เห so ็นจ ah. ิตบ่เห็นใจตัวนั้นได้นอย่างมันมีบุญเถือก็แม่นบุญยุห์บุญโมฆะโมฆะบุรุษโมฆะสติสันอย่างในออกนในกับคนอื่นผู้หญิงกับอื่นว่าสติวันสติเป็นผู้หญิงบ่เห็นจิตเห็นใจตัวคนเอื่นว่าโมฆะสติอยู่นั้นผู้ชายได้คันบ่เห็นจิตเห็นใจตัวคนอื่นว่าโมฆะบุรุษผู้ชายได้เป็นบุรุษครับแมนบอกแมนครับเบุรุษคนผู้ชายเนาะ สติกัว่าไม่ติว่าผู้จิงหน่บอกก็เป็นเป็นโมฆะคือกันเป็นอย่างสัน้นบันนี้ผมเดินไปเดินมาผมเกิดความคิดขึ้นมาจาุดใหม่มาจากในสมองนะ่รู้จักกิเลสรู้จักตัณหารู้จักอกภทานรู้จักกรรมเสี้คอนีอีกทึมครับความยึดมัน่นถือมันมากระจางไปโลดครับจางออกไปคล้ายคืนน้าแดงครับสมมติน้าแดง น้ำแดงนี่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซนแล้วก็เต็มกระป๋องหนึ่งครับเอาไปสุกผ้าขาวๆได้แดงติ๊บเอือดมดเนือ้อมันผ้าขาวบ่มีแดงมัดรับนี่คนลืนตัวมเป็นยังไงรรบ้านนี้น้ำแดงคุณภาพบ่มีแต่ปริมาณ ม, มันเต็นกระป๋องอยู่คือเก่าให้ ว, าามมาว่านนำย้อมไม้ไว้สำคัญขนาดไหนบ้านผมในวันนำย้อมไม้เอาไปย้อมผ้าขาวบ่ิน ปริมาณมันเต็มกระปองกระทันซ่าแต่คุณภาพบ่มีอเอไปยอมอไปยอมผ้าขาวในโบกินครับอย่างกินกันน้อยที่สุดเปรียดไปน้าดันน้าซิวน้าอย่างกันมัดคุณภาพมันเสื่อมแล้วทันบานเนี้เมื่อคุณภาพเสื่อมแล้วผมก็เลยวันเอิญมาอยู่เหนือทุกข์วั น, นเจ้าของมาอยู่เหนือทุกเหนือสิ่งเหล่านี้แต่ว่าผู้มีจิตใจสูงคําว่าใจสูงฮาว้าซื่อได้ว่ามนุษย์ใจสูงที่ใจสูงตายไหมเงีย กระคีตเ ย, ยอะของบางคนเอาเพราระนนมนุษย์ใจตั้ม่างนี้หรืเป็นมนุษย์ใจสูงใจสูงนี่หมายถึงว่ามันค่วมโกดเกิดขึ้นบ่อดข่วมโลภเกิดขึ้นบ่อด้ควมหลงเกิดขึ้นบ่อดข่วมยึดมั่นถือมัน่นกิเลสตัณหาอุปทานกันนี้เกิดขึ้นบ่อใดเลยครับยังพูกต้องว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงนะครับ <c oughs> มันเป็นอย่างไรครับตอนนี้เลยจบทักนั้นผมนอนครับ มันเป็นปีติตอนคนรู้ปฏิบัตินิพพานาเบื้องแรกนะให้จำไว้ให้มันดีผู้ใดทุกคนเนี่ยพอดีมันรู้เข้าใมีอารมณ์ให้มาจับรูปน้มในรูปนี่อันรูปกำนามมติกาอยู่นี่ยากที่ให้มันลืมจากเทือกในรูปน้ำพอดีลืมรูปนามอันนี้แล้วมันจะลืมลืมตัวไปมันจะไปติดควมคิดอันเดียวเมื่อมันไปติควคิดอันเดียวคงคิดมันว่ามีตนว่ามีตัวได้ครับมายึดปวดได้มันจะลืมตัวไปเนี่ยเป่นเอื้อนว่าริปัสนุ่นั่น มันก็เลยลู้ไปทุกสิงทุกอย่างต่อจากวิปัสนูปไปแล้วมันก็เป็นจินตยานมันก็เป็นที่ประหลาดอันจินตญานไปว่ารู้ไปทั่วๆไปเลยหาจัดจุดโบได้รู้ปไปจักจุดโบได้แก้ทุกตัวเองว่าเป็นเนื้ออ้นจินตยานแต่ตำลาอาจิมีว่ามีขบุวนอย่างนะครับผมก็เลยมานอนบัดนี่นอนไปนอนก็หลับ หลับแล้ววันนี้ตื่นพอดีไตไฟลางหน้าแล้วก็ไตไฟล์มาเดินจมกรมครับมีแต่ขาบตัวหนึ่งแลนผ่านหน้าผมไปตัวใหญ่ด้วครับผมใต้เปียนไขไ่ไหวใต้เปียนไขไ่เลย้นนั้นคนนี้ผมเดินเดินจมกรมกับย่างกันเดียวกันนั่นแหละครับว่าย่างไปย่งมาก็ได้ว่าเดินจมกรมก็ได้บ่ผิดกันผมเราซื่อๆมันสมมุติ ย่างหลบไปหลบมาพอได้เห็นตาขาดแล้วผมก็เลยเออกไฟ ไ, ไปตามตัวตขาข่าบัวเห็นบัวบ่วเห็นตัวตาขาดแล้วบัดนี้ผมก็เลยเอาไฟมาไว้สองเก่าประกย่างไปย่างมามันเลยปรากฏขึ้นภายในจิตใจตัวอีกตืนเธอนึ่งว่าเนี่ยศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาเทกําจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญากรรจัดกิเลสอย่างละเอียดโอ้อันกูว่าสิ่งสมาธิปัญญาอันสิ่ห้าสิ่แปดสิ่งสิบสิ่สองร้อยยี่สิบกิจสิ่สามร้อยสิ่ที่สูงนี้นะ้นมันก็คำจัดกิเลสอันนี้โบได้ด้อันว่าอธิสิ่งสิบขาอธิกิตาสิบขาที่ปัญญาสิบขาอันเฮียนกัแมนอยู่มหาโบแมนแม่นแท้ๆมันโบได้สิ้นขันขันห้าเฮานี้มีสิ่ สิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่านั้งสมมติถามตัวเองขันขันไปว่ารองรับขันไปว่าต่อสู้ขันไปว่าขันดีที่สุดขันเว้าตามภาษาบ้านผมนะขันฟื้นที่ที่ไม่ออกเป็นหัวใจไปตั้มผ้าหางงานไม่บรไม่ออกแมนดอือขันฟื้นจานตั้มผ้าบางานแมนดอเน่ยแหละขันไปว่าที่บริเนี่ยขันขันแตกตักน้ำบรได้กินนะ ขันขันที่แล้วขันดีเนี่ยตักน้ำได้กินตักเข้าวเสบานให้ผักอะไรเอาไปตักน้ามากินกับได้เอาไปสู้อ่อสู้แกงสู้ป่นเข้าใจว่โอ้กํามจักรกิเลย่างงาคือมันทําลายโทสะโมหะโละแล้วแล้วมันจึงรู้จักสิทธอันนี้มันทําลายกิเลสตัณหาอุปทานกรรมมาแล้วมันจังรู้จักสิทธอันนี้ สิ่งอันนี้ก็เลยปรากฏขึ้นหูจักว่าสุมีสิ่งสิ่งนั้นจึงว่าเป็นปกติเมื่อผิดปกตินิดนึงกับผิดตินดนิดมาเดียวผมก็เลยรู้จักอันที่ผมไปนั่งสมศาไปนั่งธรรมศาสต ร, ร์ทำไมเจ้าสอนธรรมศาสตร์ซื้อดีนะวะจเราหูจักธรรมศาต ร, ร, รการเคลื่อนไหวไปมานี้อันนี้ยังทุกกว่าจ๊ะ มันว่าไม่สงบแบบนั้นอันแบบผมว่านี่ก็บว่าไม่แบบสงบได้ครับแบบการเห็นแจ้งแบบการรู้จริงซื่อนี่ได้อันสงบนั้นบวแมนบวแมนอันนี้มันว่าไม่สงบอันนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวการเห็นแจ้งการรู้จริงอันเนี้ยอันสงบอันนั้นมันว่าไม่สงบอันนี้แต่กระทุกสงบคือกันสงบอันนี้มันสงบจากโทสะสงบจากโมหะ สงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาสงบจากอุปาทานสงบจากข่มลงผิดสงบมัทุกอย่างครับอันเนี้ยมันเป็นอะไรครั น, นผมก็เลยรู้จกักโอ้จําพวกที่ไปทำกรรมฐานพอผมเมาสู้ฟังแลหนังสือก็มีอีกตืมนเธอหนึ่งครับว่าจําพวกรูปสารอารมณ์ารนี่ครับผมก็เลยรู้จักอันนี้ โอ้ลูปสานซี่อรูปสานซี่ไปเกิดในรูปผมอ่ลูกผมนะมันเรื่องหลงทางอันนี้อท่านคนบ้าอันเนี้บผมหูจักท่านผมหักไว้ผมเองพอดีผมหูจังท่นผมก็เลยมีความปรากฏเกิดขึ้นเรื่องกิเลสการมสาสวะภาวาสาวาวิสางสาวะกามนี้จําพวกไปนั่งกรรมฐานหลับหูหลับตายอยู่นั่นแหละกามครับ การกามไปว่าสงบอันนั้นการมาสว่างยังมีกามอยู่ครับพวกนั้นพระวาสว่างยังหวังพบหวังศาสตายแล้วเกิดศาสนาศาสวิจังใดหัวโกบูหัวจากเรื่องตำรานนะครับอวิสาสว่างคือบูเห็นแจ้งบูรู้จริงว่าสิ่งเจ้าของเฮ็ดผิดนัซื่อๆนี่นะครับเนี่ยอวิสามันไปอย่างสัตยครับผมเลยรู้จักอันนี้เมื่อรู้จักอันนี้ผมก็เลยมาบวกลบคูณหาในตัวเองว่า เอ๋บัด น, นี้ถ้าหากเราทําบุญนั้นได้บุญมาอะจัรนได้ยูบุญขนานั้นมันบม่เป็นบุญอันนีน้บุญอันนั้นกับบุญอันนี้มันผลละบุญกันมันจะมันมันนี้ทําบุญด้วยกายเอากกา่นี่ไปทําบุญซื้อคือเอาตักบ้านหรือไปส่งเจ้างหานไปเพจเนี่ยเนี่ยปากเขาวเบ า, เาใจเขาวคิดเคล็ดดี่ซื้อมาอาจารยมีประโยชน์อันไหนอาจารย์มีประโยชน์อย่างหนึง่งมันทำโบ้ได้สมบูรณ์มัน บัดนี้มีเตว่าจซื้อเฮ็ดบุญท่านนั้นเฮ็ดบุญท่านนี้รักษาศีลอย่างนั้นรักษาศีนั่แจกการกระทำบ่มีมีประโยชน์อย่างใดอยหนรู้จักอย่างนี้ขึ้นมามีประโยชน์อะไรเราก็หูจักขึ้นมาบัดนี้ใจคิดทซื้อบัรณีหักบัวเฮ็ดบัวทำมีประโยชน์อย่างใดจันหู้จักไปนั่บัดนี้บัปากบัวว่าเฮ็ดโหลดบัดนี้บัวเฮ็ดใจคิด มันตรงกันข้ามมันมีหกอย่างครับที่ผมเว้าเนี่ยนึงเอามือทำสองเอาปากเวา้าซี่เอาใจเฮ็ดเนื้อหนึ่เอาปากหงเอามือทำสองเอาปากเว้ลสามเอาใจคิดมันนี่ทางดีนะมันมี้ทางซัวคือกัรหนึ่งเอาเอารูปนี่ทำสองเอาปากนี่วอลซัวใจเอาคิดซัวสามอย่างนี้มีน้ําหนักผิดกั น, กนยกอย่างเต็มหุ่จักยันซีครับ รู้จักจริงๆรับรองร้อยเปอร์เซนต์คำว่าพันกว่าได้ดิครับแบบนี้ครับรู้จักจริงๆเรื่องนี้ครับพอรู้จักเรื่องนี้เอาแบนี้มือก็เฮ็ดดีแบบนี้เว้าวก็ว้าดีแบบนี้ใจก็ใจดีแบบนี้ดีใจก็คิดดีคือยังเห่าเฮ็ดนี่พิกมือขึ้นเอาเสียงเฮ็ดดีไอเด็กครับโบไปตีผู้ใดนี่ครับนี่ยกเสียงผมก็เลยรู้จักสร้างจังหวะนี่เป็นการเฮ็ดดีด้วยนีโอ้เฮ็ดดีอวะสิน ป้าเร็วเนี่ยป้าเขาไ่ได้ไปว่าหนุ่มผู้ใดได้มีสินเนี่เนียวนี่อันนี้กาจะว่าใจใจได้นไหมใจมันกำังพยายามตกิดต้อกันอยู่นี่ครับอ้มันไม่นอันนี้มันไม่สมบูรณ์แบบเด้่ยเหตุอะไรนี่ยสิผมเลยรู้จักสิ่งการสมบูรณ์แบบครับอันนี้รู้จักว่าการเจริญสติเป็นการสมบูรณ์แบบมันมีจังซีโบเมนพุทโธธรรมโมโบเม่นอาหารโบเมนพองยุบมันโบเมนเว้ามันไม่เฮ็ดเอาอันนี้ อันเฮ็ดเอากับทำเอานี่อาจีโบหุู้จักว่าเฮ็ดเฮ็ดนี่จากจีโบหุ่นจักคนทางกรุงเทพอาจีโบหุ่นจักก็ได้เดบะเฮ็ดนี่เมนบอกเฮ็ดที่บ้านผมเรามาเฮ็ดคือเฮ็ดให้เฮ็ดหนานี่ทำกับทำเอาคือกันนั้นเฮ็ดเอาทำเอาอันเดียวกันครับเฮ็ดอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจบันสามาออกจากทำไหน ออกจากผมรูได้ออกจากตำหนับตําราได้ออกจากมัดทุกอันทำอันนี้แหละธรรมะหรือว่าเป็นกฎธรรมมาซากาได้หรือว่าสันซาตยานกว่าได้แต่มันมีในคนมัดทุกคนบ่นยกเวนที่เป็นพระเป็นเนนกรมีเป็นผู้หญิงผู้ชายมีมอดพราะในขณะนั้นผมเป็นโยมผมปฏิบัติผมกะระลูคือกัน ถาหาว่าธรรมะแบบนี้รู้ตั้งแต่เจ้าหัวไอจุ๋ผมชื่รู้ให้ยั้งรับผมเป็นโยมครับแล้วทําไมผมรู้บันไดเป็นยังมันรู้พราะผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจซื่อๆดีได้ครับแล้วพระเมนไปปฏิบัตินําผมขาวนั้นยี่สิบสามคนจ้อยวัครับบุรุษมาแบบนี้ทั้งมืดครับแล้วโยมซี่คนนําการจ้อยวับบุรุษมาแบบนี้ทั้งมด เมื่อเป็นเส้นนี้แหละผมจะกล้ายืนยันรับรองคําสอนอันที่ผมเอาม า, ม า, มาวาวนี่ว่าโอ้ความทุกข์นี่มันโบได้มีแท้แท้โบได้มีโทสะโบได้มีโมหะโบได้มีโลภะโบได้มีมิย่างมันอยู่ซื่อๆ อ, อ, อันโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นเพราะเราโบาเคยเบิง้งจิตเบิ้งใจบบเคยเบิ้งเซลิสตัวเองนี่ซื่ อ, อ, อ, อ, อดีนะครับอันนี้เนี่ยอันผมเข้าใจว่าโอ้ ทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมากอนพระพุทธเจ้าฮะวอลนั่นแหลกเ็นอย่างวอลแล้วเป็นอย่างบบศอกบึงที่ตรงนี้เป็นอย่างอย่างแรงเข้าไปแบกปุลในถ้ำปุลผมเหมือนเขาทํำดูครับสมัยเป็นเนงครับกูบาพาเขาทําคันเดินคู่ดงก็ต้องแบกปุเข้าไปในถ้ำไปปักปุลในถ้ำบนไปหาบนตายไปสร้างโบจ่ายแล้วนั้นมันทีนมีประโยชน์ม่หยั่งอันนั้น มันที่มีประโยชน์เป็นยังไปที่ทฮูเปีนยังแบบ ก, กดไป็ะยางอยู่สั้นนะครับครูบาพาผมมาผมเป็นเนนน้อยครับยางตั้งแต่อเภอเสียงคานซอดอำเภอทะบอซอดจังหวัดหนองคายยางตั้งแต่จังหวัดหนองคายซอดอำเภอเสียงคานอีกึ่งแบบเกือบตายผมเป็นเนนน้อยครับเดินพูดดงมาสัน้นห้าบาทมีของมาลุ่มตุ้งตั้งกับมีนเนนสองคนพระสององค์ขับไปโอ้ยโอ้ยจะไม่ผมคุบผมบูัาครับ ซ้ำมีนํอย่างง้อยพวกอมมะขี้หินอีกตึมซ้ำกูบาหนะะ <c oughs> ึ่งก็ได้เน้นว่าซ้ำต้องอมมะขี้หินนี่มันยังปวดเจ็บแข้งเจ็บขาว่วะะังคัดจะเอาขี้หินจะกองไว้นําเป็นโนนต้มโ๊กเต็กเ๊กอันนีเขาจะมันสักจิตโอมไปเด็กน้อย <c oughs> มืบงคุณจักนี่แหละถ้าหากกูบาโง่แล้วมันต้องโง่ทางนั้นมาเดียวคนโง่มาสอนคนง้อจีสลาดบ่สอนร้อยกับพันพันกระบองฮัสลาดจักเชี่วเขาว่าโกโง่มาสอน ว่าอยังผมว่าน่ท่นเรียนมาแล้วนักทําตีนักทําโธนัก ท, ทําเอกบางคนได้เป็นมหบมหาป ร, ริยนก็มีแล้กวก็เรียนมาแล้วครับปหนึ่งปสองปสามปห้าปเจ็ดไม่หยาบูระครับผมกระบอกข้จักเรียนมาแล้วเจนนนะั้นมหกหรือปริยาตีปริยโธเรียนมาแล้ว แล้วเฮตไดจิโบเข้าใจผมว่าจังเสียขันบบเข้าใจกั บ, บ้ามันก็เต็มทีสะดวกวะผมมาเนี่ยเว้าซื่อๆในภาษาคนไทยเว้ากันบูเู้จักมันก็บบอได้เรื่องเลยผมก็เป็นคนไทยนะครับคนกรุงเทพมาทีนี้ฟังภาษาภาคอสานเว้าบอได้เรื่องบอ่บ้ามันกับเต็มทีละเว้มันกับคงจิู้จักกันเนี่ยขวมหนึ่งสองวมเนี่ฟังหลายเครื่อนมันก็ต้องรู้จักที่เมันต้องเข้าใจดีครับ อันสมมุตินั้นสําเนียงโบคือกันครับเมื่อนกับข้าวนี่แหละครับข้าวเจ้าก็กินข้าวสุกคือกันบริจิงข้าวเปลือกข้าวเหนียวก็กินข้าวสุกคือกันบริจึงข้าวเปือกหรือว่าข้าวเจ้าจริงข้าวเปือกเป็นบ๊อกโมเป็นข้าวเหนียวจริงข้าวเปลือกเป็นบ๊อกกินบมเป็นต้องกินข้าวสุกทั้งนั้นครับนันเป็นอย่างไรท่นนี่แหละคําว่าโมคะโมคานคันโมฆะกับข้าวเจ้าอันเนี้ยอันนั้นโมฆะกับข้าวเหนียวอันนี้อ่ามกับโบคือเรื่องเนี่ย อันที่ผมรู้ผมว่านี่ครับมันเป็นคําสอนของบุคคลที่รู้อย่างนี้ครับจึงเอาเรื่องนี้มาเว้าถ้าหากคนบูรู้เรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้มาว่าวาได้ครับเทพผมว่านี่รับรองได้ครับผมไปปฏิบัติผมอยู่สามเดือนแต่ผมปฏิบัติบนานผมรู้ครับรับรองได้จึงหวะผมอ่านหนังสือเป็นผมลู่นักคำสันเอกครับทำขมงทีจาร์แต่ผมรู้แล้วผมยังไป ไปอ่านครับเมื่อถึงที่สุดแล้วว่าสันงานย่อมมีว่าสันผมดึงเส้นผมผมออกผมยาวเนี่ยครับดึงออกมาถอนออกมาที่ผมเห็นหักผมมันมีสามหักอันขาวๆอยู่นะครับขาวๆมันเป็นเม็ดติดอยู่นะหักผมแล้วก็มันมีดําอยู่ข้างกลางโอ้คนมันมีอย่างซี่เด้ ว, ว่าสันท่ามันก็บ่มีอันนี้มันก็บ่มีอันนี้เด้ผมนึกเข้าใจอย่างทันครับ ผมก็เลยโอ้ว่าเรื่องนี้ผมก็เลยมาสมมุติว่าบันนี้เอาเสื้อมีซนสองซนมาผูกใส่นเสานี่ซ้นหนึ่งผูกใส่นเสานั้นซนตัดตรงกลางปุ๊บว่าสิผมเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวครับมันเฮ็ดมันอยู่ผู้เดียวมันต้องเฮ็ดผู้เดียวเราสมมุตินี่คือตัดปุ๊บว่าสิเมันขาดตรงกลางเลยมันดึงไปเทิงกันบ่าบเถิงเถิงก็ไปเส้นอยู่จู่กันคือเอาไปใส่งานโบได้แก่ซนนี้ออกไปบันนี้ไปต่อตรงกลางกลับมาดึงใส่เสานี่บเถิงในบันี้โอ้ อันเพิ่งว่าขันห้าอายตนะสิบซองภายนอกภายน์ใดมันเว่าวซื้อซื้อตาเห็นอยากให้รู้จักว่าสวยว่างามมันเว้าเอาอันนั้นครับอือโหฟังเสียงอยากรู้จักว่ามวนว่าโบมวนเสียงผู้หญิงมันเว่าวเอาซื้อซื้อได้อันนั้นครับความจริงมันมีอยู่แล้วครับเรื่องหนึ่งครับทำอันที่ทำให้พระเจ้าเป็นพระเจ้ามันมีอยู่แล้วมันเป็นเองความเป็นเองในเพลินกด ตัวของธรรมศาสตร์มันมีอยู่ในคนทุกคนบรยกเว้นผู้หญิงบ่ิยกเว้นผู้ชายบรยกเว้นฝรั่งอังกฤษข้าขอมคนถือศ า, ศาสนาได้กระทำสรา้างผมกล้ายืนหยันรับรองว่าต้องรู้ทุกคนบรยกเว้นทั้งหมดคนพุกการู้คนรวยการู้วันนี้คนพุกขันว่าปฏิบัติกระโบรู้คนรวยว่าปฏิบัติกระโบรู้ เรียนหนังสื อ, อยมูธานเนี่เรียนปริยาตรีปริยาโทแล้วขันบ่บปฏิบัติกับป้ากวายนยากรูอยู่นักทำตีโทเองในพวกขันมาบวปฏิบัติกงบกวายากรูอยู่หรือบางที่อาจจิรูผู้สร้างคิดบันนี้ผู้บรเรียนได้บรเนศรนกกนนสร้างคิดมุนุนลูคือกันอาบริสร้างคิดก็ทําสร้างบรเนียต้องมีครูบาอาจารย์บอกแลยเฮ็โดโรเดินรูรูแท้ๆเรื่องนี้ครับเมื่อรูอย่างนี้ก็เลยเหมดทุกข์ครับสอนให้หมดทุกซื่อนี่นะ คำสอนอันนี้นะครับจีวะแม่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้จีวะบุญแม่ก็ได้ครับแต่ผมออกมาเอื้นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่ น, นพุทธะจีงเปรอะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมมันตื่นอยู่สยจะตื่นอยู่ใ น, นหวัวคิดเขาเนี่ยทำอยู่สยจะมันทำอยู่ในใจเขาเนี่ยมันจัดออกมาบอให้เห็นบอคือเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาสายให้เบิ้งผูเห็นในเทครับเรื่องนี้ครับ ท่านคิดบังรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยท่านมีผมโกดบ่เอาไผโกดยกมือขึ้นมือลูกรับไม่มีไผโกดเป็นบอรับเดี๋ยวนี้ดิครับเนี่ยผมโกดมาที่มียังไงบ่เนี่ยแล้วมูท่างเคยโกดเป็นบอรับบัเนี้เนี่ยแล้วมันมาจากไสเหตุมันบอรับเนี่ยอันนี้แหละคนลืมโตนะครับเพราะว่ามันเน่ามันเมมันเปียกแสกครับอันนี้แหละก็คือว่าคนตายแล้วน่ะเพราะเอิ้นโมฆะนะครับ ทำบุญนั้นให้หู้จักบุญเพื่นว่าโมฆะบุรุษโมฆะสติตนพูดธรรมะเรื่องใดก็ตามสังขารบ่กพูดเจาะลงมานี่อันนั้นเพื่นว่าคำพูดนั้นใส่บอ่อใดเป็นโมฆะคำสอนใดคือการการเทศการแสดงธรรมถ้าหกากพวกพยายามเสาะแสะแหว่งเจาะลงมาที่นี่เพื่นว่าคำพูดนั้นเป็นโมฆะ คำว่าโมฆะนี่บอได้ว่าไปทับผิดกฎหมายบ้านเมืองไปฆ่าไปตีเขาบ้แมนครับโมฆะนี่หมายถึงบุคคลที่ฆาดจากการเจริญสติฆ่าดจากควมลู่แจ้งฆ่าดจากการเจริญวิปัสสนาเนี่ยแหละครับโมฆะครับคันผู้ใดฆ่าเจาการอันนี้แล้วผมผมเข้าใจของผมอันเนี้เดี๋ยวผู้อื่นจะเข้าใจตั้งแต่กระบุหัวแจ๊กบนขันฆาดจากการลู่แจ้งนี่แหละผู้อื่นโมฆะ เมื่อคนใดรู้แจ้งแล้วอ่บูป็นบเป็นโมฆะเป็นกะทำร้างเร้่สมมติเสื้ออันนะอัว่าโมฆะนี่ก็สมมติว่าเสื้อหะพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าว่าเอีนเนี่ยโมฆะบุรุษโพธิละไบรลานเปล่ากัมพีเปล่าเส้นว่าผมได้ยินอันเนี่ยพิณว่าสู้ฟังพ่อแม่เคยว่าสื้อคำว่าโมฆะนี่แปลบูรุษจะเลินี่ปัจนาจนตายกับบูรุษมันบูทูกทางเนี่ยครับ เมื่อกับขุดน้ำนี่แหละครับคันขุดน้ำโม ท, ทุกสายแล้วขุดจนตายแล้วบัได้กินน้ําจือเทือกภูเขาขุดทุกสายได้เยอขุดไปหน่อยๆกับรูกระทึก น, น้ำมันก็นได้กิ่นน้ําแล้วครับเนี่ยเป็นอะไรลองไปขุดทะเลแม่น้ํำท่านดอกมองดูยโย้มันก็นออกน้ำแล้วขุดของเา ข, ขุดทะเลแ ม, ม่น้ำเมู่ท่านก็นลองปฏิบัติกับผู้ที่รู้จริงๆเราบอแม้ว่าให้ฟังทุกเ้าทุกเย็นทุกเสาร์ทุกเย็นเนวมนันก็เกิดปัญญาเขามันก็ต่อเข้าไปต่อเข้าไปมันก็รู้สินะอันนี้ท่นไปปฏิบัติซะนะ อันนก็อาจารย์ปิพพัฒนานะอันนั้นก็อาจารย์นะ น, นิพพัฒน า, า, าเฮ็ดจนตายครับมันในแบบกดเข้าไปในถ้ำในเหวเหมือนไปนั่งภาวนาพุทธโธอรหังของยุบอ น, น, นกตามนะครับเฮ็ดมดเฮ็ดทิพย์มดยันนะก็โอ้ยชาตินี้อย่งมันพบเจอให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยกลับขึ้นมาสร้างโบสถ์สร้างสิ่สร้างกุฏิวิหารสร้างศาลาการป่ะเรียนเว้าเอาอันนั้นว่าแบบงูงูอันนั้น แบบคนโง่เว้าอันนั้นบัแม่ขนสลัดเว้าอันนั้นครับคนสลัดวอลมันต uh, ้องรู้ที่ครับผมรับรองครับอ <ifter> ันเนี้ยถือสินก็ได้บัถือสินก็ได้ทําบุญก็ได้บัวทำบุญก็ได้ดแต่ว่าให้เหตุแท้ได้แล้วครับบัแม่ที่มาเว้ายกมือเเววไว้ท่านเป็นนอนอยู่กับบัวแม่อีกตึมแล้วครับอันนี้เดินจมก้มท่านเดินแล้วมือยแล้วก็เปนนอนอยู่กับบแม่อีกตึมครับต้องคู่จริงทําจริงเป็นคนจริงได้ครับอย่างรู้ครับเรื่องนี้ นี่แหละผมรู้เรื่นีผมจึงสามารถยืนยันรับรองได้ว่าบว่วมดยุคบ่หมดสมัยบวมเป็นพระนั้นบวได้ขึ้นอยู่กับไัยทั้งหมดขึ้นดยู่กับบุคคลที่รู้เท่านั้นซื้อผมเป็นโยมครับในขณะนั้นผมไปเมืองลาวเขาเป็นเจ้าคณะเมืองเขาเว่าเรื่องศาสนาเซนครับแล้วผมก็บ่เคยหู้จักว่าศาสนาเซนศาสนาญี่ปุ่น ศาสนาญี่ปุ่นนี้อายุสิบปีก็เป็นพระได้สันลาวาน่ะแล้วผมก็เอะขบวนผู้จักเด้อบ้านเขากอายุยี่สิบปียังเป็นพระได้ได้ดครับวัดเรา ว, ว่าคือกันอันนั้นมัอนโบแม่าศาสนาพุทธศาสนาวาน่ะความจริงท่ า, จาเจ้าคาะเมืององค์นี้โง่ที่สุดครับโง่ที่สุดเมืบวชเจนเป็ น, จนเจ้าคณะเมืองเลยเนี่ยโบรู้จักเรื่องพุทธศาสนาเนมบวชจริงเข้าสุขซีซือเสียเข้าญาตโยมซือซือครับจริงจริงครับเรื่องนี้ครับ <c oughs> โม้สมควรครับนี่เจ้าคองควชมาตั้งยี่สิบปีสามสี่ปีเจนเป็นเจ้าคณะเมืองแล้วนะครับเให้ได้รู้ศาสนาญี่ปุ่นนะครับเราว่องให้ฟังผมรับรองได้เดี๋ยวนี้ครับอายุสิบปีก็ทํตาห้าปีก็ตามผมได้สอนเด็กน้อยอายุเก้าปีครับสิบเอ็ดปีนี่ผมสอนมาแล้วครับพอดีกิจใจเปลี่ยนครัง้งเทนึงนะครับผมทางเป็นผ้าได้บ่กเปลี่ยนได้ครับกันขวานเป็นได้พอเนี่ย เจ้าพ่อผมโบลงมันจะัณหาวาจิตใจบันเป่าวัดตัณหาวาเด็กน้อยเคยมาอยู่กับผมเจ้าคณะเมืององนังตบวตมาได้ตั้งสามสิบกว่าพรรษาแล้วนะครับเนี่หาว่าบ่โบเป็นในศาสนาของญี่ปุ่นนะโบ้แม่ศาสนาพุทธวัดเสน่ห์ขี้แท้ตัวเองบ้หุ่จักศาสนาพุทธซําครับคําว่าศาสนาพุทธที่มันแ ป, ป้งไปลายสายครับแต่ก้อนผมกับโบ้หุจัดมีหิน า, านมีมหานานเถรวาส ทำมน ah bon oh! oh! ุษย์มหาเนกายเดี๋ยวนี้ผมดูหนังสือหลายเรื่องแล้วครับเนี่ยศาสนาศาสนาเซนศาสนาองคเต็กศาสนาอย่างว้ยมีทั้งแต่กันความจริงแล้วมันเป็นลัทธิครับความจริงแล้วพยายามเสาะแสวงหาทางดับทุกนซิสัยนี่นะศาสนาใดกๆครับคำท่าห้างว่าดับทุกนีิบุได้ว่าเป็นศาสนาเซนบ่าเป็นศาสนาพุทธว่เป็นมหาญานบ่เป็นเทราบัตว่าเป็นอย่างทั้งหมด เป็นโมฆะอยู่ซื่อเนี่ยนี่แหละคนเอื้นโมฆะบุรุษโมฆะสติโมฆะหมายถึงไซบอได้เจริญนิปัสนายุจโจรตายกันอย่างไซบอได้วาสีสขับว่าซือเนี่ยบวชมาจนตายกันอย่างบุหุจาวาการบวชนั้นเป็นเอื้นโมฆะครับทำบุญกองกรถิ่นบางสกุลผ้าป้ายังบุหบุจาว่าบาปคืออย่างบุญคืออย่างอนาคตเอื้นโมฆะโมฆะนั่นแปลว่าโมรู้จักบมรู้แจ้งบมรู้จริง คนพูทต้งจับพได้รู้แจ้งพูดได้รู้จริงอย่างบอรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือบอรับรองคําสอนตัวเองอันนั้นเสื่อตกอยู่ในอํานาจของโมฆะคนใดรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าคนใดรับรองคําสอนของตัวเองอ้ายืนยันวมาสอนแล้วสามารถรู้ทุกคนอันนั้นเป็นว่าเอึนหนักแปดเป็นว่าบัณฑิตบัณฑิตนักแปดนี้ยู่นากันนี่แหละครับยู่นาคนผู้ที่รู้กับผู้ที่บูรูษเท่านั้นครับ <c oughs> ที่ผมนมาํามาล้อให้ฟังนี่ครับนี่วิธีผมปฏิบัติที่ผมที่ไปใส่กระทํำซางาผมจีวอายังซีขันโบ้ในวอายังซีแล้วมีประโยชน์ไปีนี้ผมก็เป็นโจรผู้นึงครับมหาโจรที่เดือดที่สุดในโลกวะสันนี่เป็นวันอันมหาโจรที่เดือดที่สุดในโลกนะ่าเขาที่ว่าเป็นโจรไปลักเงินลักของของุนบกก็แมนด้วอนนั่นก็นเองครับผมอ่านหนังสือครับดาบบกในจีวอลวะสันนิกอันดาบมกในจีวอล น, นั้นอยู่ที่ใดครับกระตูบบ้าเทานี้เ่ยอุ้มบ้าไป เพื่อพาให้มีออกสู้ใส่บาดยู่สู้เศร้าสู้เย็นนี่ดหะดาบหมกไนจีวรลพิกสูแอบคนแบกแนวโมฆะบุรุษอสัญมนรคงานติกลาล่างเท้าอสัญมรรคอันนี้มีในหนังสือครับผมได้อ่านแล้วอนะครับแล้วข้าโบได้เข้าใจเรื่องนั้นข้ามาดาบหมกในจีวอลนะภายดายานะ้านเงาเงานี่ยไปตัดคอคุนโอยนักบุแมนแล้วอันนั้นครับน้อก็ผิดกฎหมายนี่ครับอันนั้น ให้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆครับแต่มันสมมติเว้าอันวานนี้ก็ได้ครับแต่ว่าหากมันบวอออ่านพบกระบูกจักแล้วที่ผมรับรองวันดาษหมกในชีวรเนี่ยแม่นตัวเฮานี่แล้วทิสุรามกสันดานนกตาหมาขี้เลื่อนงูเปื่อนขี้วัาสันลูกนอกคอกผู้อยู่นอกบันซีป่าซาผีดิบน้าติกลาล่างเท้าไม่ใช่คนของเราเนี่ย เขาไม่ใช่คนของเราเนี่ยแปลว่าโมคะบุรุษนะครับนี่บุรุคนในพุทธศาสนาครั บ, บวชนุกัณฑ์ซ่าอันนี้บุญได้ผมว่าบุญภูนัวว้นภูนี้บุญได้บวบวได้วาสนีะครับบอกว่าตามข่มลูกอันเนี้ว่าตามเรียนมาอันนี้ครับแต่ผมมาปฏิบัติมันก็เป็นในทันจริงๆครับเรื่องนี้รับรองได้จริงๆในหนังสือธรรมวิจารณ์บอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานซีนั้นย่างนานเจ็ดปีเพันมาย่างกลางเจ็ดเดือน ย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ ม, มือหนึ่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือมีอา น, นิสงส์สองประกาศ น, น, น์เลย่นหนึเป็นพระอรหันต์เลยท่นทําให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่เป็นวานท่านให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้อาจารย์วาถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั้นต้องเป็นพระอนาคามีเลยั่นพระอนาคามีนี่ตายจากมนุษย์นี้ตายจากโลกนี้ไปเกิดอยู่ในรูปป่าสนีผมเลยท่าน อันนั้นตัวหนังสือว้าวอันนั้นครับอันผมว้าเนี่ยผมบอกวอลท่า น, นครับถ้าหากผู้ใดมีความคิดว่าเราจะทดลองดูว่าท่นผู้ที่ไปลองก่อนหน้าเรื่องนี้มันเป็นยังไงว่าท่นเรื่องเจริญสติปัญญาที่หัดจังหวะทำให้ถูกต้องแล้วก็ฟังคำพูดของครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามแนวเนวที่ผมวาเนี่ยรับรองสามปีครับ โบเป็นอย่างกระทำสร้างเลื่องกนี้ผมจะย้ายมันโบหมีที่ซื้อนีปแล้วครับมันจะพอปาน่วยถึกง่ายกับควยถึกน้อยพอพอปานแมวกับหนูมันจะย้ายกันนะทันเห็นแมวมาปั๊บมื่ที่หนูมันจะแลเข้าหูโรถครับมันจะย้ายแมวปันทันครับคุยถึกง่ายนี่กราทำสร้างคุยถึกน้อยก็ตามครับนี่ผมสมมติคุยถึกน้อยนี่ป้อยออกไปได้มันจะป้องเมื่อเสริมรถได้หยามละทงไม่ครับมันป้องคุยแมวไว้บ่อยากให้ป่วยตัวอื่นเข้ามา พอดีเห็นกลวยถึก ง, ง่ายแล่นออกไปที่มันแล่นนี่โลดป่าผู้หญิงโบกมือทีครับมันเป็นทางกานครับรับรอ ง, ง, งจริงจรเจริญสามปีแล้วโวยมึงไปที่ใดน้อโมลงมึงให้กูโกดอยหน่นนอนจะหนมันจีนี่หายวัดไปโหลดรับนี่ย่างนานสามปีครับทนจริงๆครับย่างกลางให้เวลาปีนึงครับย่างเร็วที่สุดเก้าสิบบุษสามเดือนครับอันนี้ผมโบได้รับรองกับผู้อื่นครับรับรองพวกตัวผมเอง และคนมาปฏิบัติจยางสั้นแล้วก็รยูไก่ฝังอีกตืมให้รู้จักบนใดบวกเข้าใจดันถามถามแล้วได้ปฏิบัติตามนั้นหลับหลองได้ครับเป็นพระกะหู้คือกันเป็นโยมกะหู้คือกันเป็นผู้หญิงกะหู้คือกันเป็นผู้ชายกะหู้คือกันอันหู้คือกันกะธรรมะคือกัรนีสนว่าครับนันกับคมคือการ น, นั่นก็มีธาตุซีมีธาต ด, ดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมคือกัน มันก็มีขันห้ามันก็มีรูปมีนามมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันมันก็มีคือกันเสนอครับมันจะเป็นเลือกตั้นวันน้าวคนถือศาสนานั้นศาสนานี่มีอย่างขับคนเห็นกันมันก็บรทุกแล้วครับวันนี้มันก็บรหทกมันก็บรรท่างกันก็สบายเส่นเท่นั้นที่ซื้อดีนะครับมีเท่านี้ประมาณอันเนี้ยเรื่องหลักวิชาการที่ผมรู้มาเนี้ยครับนอกจากนี้แล้วเรื่องทําบุญ เรื่องรักษา ศ, าศานีนอนันเป็นสังคมให้หู้อยากสังคมตอนถึงที่สุดของทุกนี่นะครับผมเป็นวิปลาสอยประมาณจะห้านาทีครับผมลืมอารมณ์ลืมรูป ล, ลืมนามลืมมัดครับผมไปติดสุขโอ้ยเกิดมาในชีวิตนี้กูก็เคยเป็นที่เจ้าเธอวะเนตะเบาโอ้ยใหบวกโบมีอันที่ว่าเปียกบรัรได้ขับเบานะ่ะมาทุ เอาเงินร้อยล้านพันล้านมันซื้อกับเป็นบนอกออเสินเซบูมีแล้วเฮกจังแต่เซบูมีแล้วคูล่อผ้าเงินรอพ้าทองคําสร้างโบสถ์สร้างเซมเขาบ่าเคยเป็นเงินเซมไปติดอันนั้นครับย่างไปย่างมาดูอ้ยมันยังเป็นเงินเซมโอมันเรื่องโตครับมันไปติดสุขติดสุขกับผิดครับกลับเข้ามากํามือปุ๊บโอ้โ อ, อันนี้พี่เดลเดินบันเนมาเบิ่มขอบคิดอ๋อตัวความคิดจริงๆนะมันโบส์มันทุกมันบบส์มันสุก มันอยู่ซื้อซื้ออ่มันสุกเมื่อกี้เนี่ยอัะนักลเป็นกิเลสอีกเติมแล้วครับเนี่ยกิเลสบุหะจากกิเลสคนคันบุู้จากกิเลสมันกิริษกิเลสได้เนี่ยครับมันก็ลีกบวได้แล้วคือผมยักสูบยานั่นแล้วครับอันยักสูบยาตัวนี้นเอามาสูบซะมันก็บุ้เห็นจากเถื่อแล้วผมผูกกิเลสเนี่ยพอดีบัด น, นี้ผมยสูบบวดได้แล้วสูบยาผมเอายากระป๋องมาวางครั้งผมเนี้ยผมบู้หะจากเรื่องรูปเรื่องนามนี่แล้วกัอ๋อไมึงแก้งปันไดสูบตรงนู้นซะ น้ำตาลไหลออกมาได้จัรู้จักบโได้แล้วลว่าท่านมันเอามาใส่ปา ก, กู้องมาใส่โบได้ครับโบอนุญาต์เอามาโบได้จักกันเรื่องกิเลสนี่มันม่นมีประโยชน์หรือครับสู้สติปัญญาไม่ได้ครับสติปัญญานี่สามารถที่ควบคุมกิเลสได้ทุกแง่ทุกมุมที่เข้าไปในที่มืดครับเขาต้องการยานเรื่องกมสว่างพอเาเจ็คั้งแตจุดไฟเป็นบอ่อครับจุดไฟขึ้นแล้วกลมืดมันแล่นไปบ่มันหนีเพื่เดียวเองไหม นี้ก็มืดแะ้วท่านใครว่าเป็นแดดบม่มีสมมุติเขายุติสารนี่ครับไฟฟ้าลองปิดซึ่งไฟปั๊บมืดโลดวันนี้วันนี้เขาอยากได้กลุมสว่างวัสว่างเมสสว่างเมจางือภาวนาร้อยตีพันปีไว้วอนให้เทวดาองค์ใดามาให้มันสว่างมันบ่มาสว่างคนสลัดเข้ามาปุ๊บจับสวิตปั๊บไฟมันวิ่งเข้าไปหาหลอดสว่างโลดอันความโกตรความโลภขวามมุงกับเส้นเดียวกันครับ บาป ก, ก็คืออันเดียวกันบุญก็คืออันเดียวกันถ้าหากคนสลัดซี้ลงมาเบื้องจิตเบื้องใจเฮานี่นี่หูจวจักรถกำลังมือกันกับจัดสรสดิตปุ๊บมันคิดมาก็เห็นปับ๊บรถสว่างรถผูกหุดรถแมวมีกําลังเต็มทีแล้วหนูออกมาในมึงตายรถบ่เดียววะ่านนั่นเป็นอย่างสนครับที่นํามาเราให้ฟังนี่ก็พอที่จะจันได้ครับถ้าหากสนใจจริงๆแล้วให้ปฏิบัติ ถ้าไคโบส่นใจแล้วก็เป็นธรรมดาพันวาพันวาให้ฝังอกตื่มบทอีกหนึ่งขบับสีเล่าพันวาเรล่านุ่งพล น, นำแล้วั่นคอยแจ๊สแสงตะเวนออกหมาดอกไม้กระบาโลโรดสันเล่าที่สองพนานขึ้นหมาพอสมควรนี่อย่างจูโ บ, บเต็มเสียแดดออกมาสองมือสามมือกระบาลเล่าที่สามนั่นอยังอยู่นำน้ำพอที่เปียน้ำอยู่ปอแปะพอแปะอยู่ แดดเอามาหลา่มือแล้วก็ น, น้ําลดลงดอกบัวกระพุนขึ้นกระ บ, บานได้เราที่ซีนั้นะยังจมอยู่ในตมพุนว่าคือพุนวานะี่ยยังเป็นอาหารของปูของปลาของตัดของเตาอยู่แอันที่ผมเวบานี่กัคลายคล ย, ย, ยคือกันครับคนที่มีปัญญาฟังแล้วโอ้บัตรใดหลวงพ่อนี่ว่าให้เบื้งกรมคิดนี่เด้อสินคนทุจรเบื้งกรมคิดแล้วบางคนยังบ่นู้จักว่าเบื้องกรมคิดจะมองแสดงหุ่นตัวหุ่นทุจร ว, ว่าไงว่ า, นะวานี่ดอกบัวนะ่ะ แต่แตะเบนเอามาแลวบานเฮ้ยโม่ไม่จักตัวอั น, นังกาคลายๆคือว่ายัายายายางจมอยู่ในตมุมคุณแล้วครับผูหันยังโม่มีโอกาสแต่โม่ทมีเวลาเท่อครับแต่ว่าฟังหลายๆครั้งหลายๆคนอาจจะเป็นก็นได้ครับเพราะว่ามันยังลึกครับมันยังบ่เคยคิดสิ่งที่บ่เคยได้ยินมาพานหูเหานั้นให้เหาเข้าใจคำว่าตัดสรู้รู้นี่ให้เข้าใจตัดสรู้รู้เนี่ยครับ ว่าความรู้เกิดขึ้นมาปุ๊บอยากเข้าไปในความรู้ออกจากความรู้อันนั้นมาเป็นวิชาคันเข้าไปในความรู้อันนั้นเป็นอวิชชาจึงเฮามาเว้ากันเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทเรื่องเป็นปัจจัการอันนั้นเป็นสมมุติเราสื่ อ, อแต่ความจริงบนต้องเว้าหลายว่าอาวิชชาอาวิชชาสุทธาโมลูตัวเฮานึงโมลูการเคลื่อนการไหวการไปการมานี่นึง อวิษาแบบหนึ่งคือบุรุษความคิดอันนึงนี่ไม่เป็นอะไรทันเมื่อรู้ความคิดรู้สึกตัวตื้นตัวอยู่เสมอในผะลเอินคนมีสติแปลว่าคนมีปัญญาตื้นตัวอยู่เสมอคนมาเป็นผู้บุญหลงว่าทันอันนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังนี่ครับเพราะว่ามือนี่กะบสมควรแล้วครับเพราะว่ามืออื่นนี่ครัเป็นมือที่โอ้ยบนนี้มืออื่นนี่ครับมือแรงนี่แหละที่ได้เดินทางแยกงงายจากกันไปผู้ที่อยู่นี่กับขอให้ พยายามฝึกฝนอบรมพูดกันให้รู้จักมีอารมณ์ย่างที่ผมวา่ามานี้ถ้าหากว่าคันโบลูอารมณ์อันนี้ต้องปฏิบัติให้รู้เมื่อโบลูอันนี้แล้วคนที่เป็นวิปจสนทร์ที่เป็นวิปลาสที่เป็นสินจินตยานเขาจะแก้เขาโบได้เมื่อแก้โบได้ทาให้เขาเสียคําให้เขาพาดไปแล้วเขาสิวาให้เหาเนื้อการสอนคนนั้นเจ้าของต้องรู้ต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมรู้มันจิตใจมันเป็นอย่างไดบนแม้เสียว่าคื อ, อยัง ใจะาว่าเมื่อเศร้าเมื่อแดงผมได้ยินหลายคนใช่ไตายแล้วจาซาได้โอ้ย้อจะดหุ่นกผมมาจำซานได้เขา่็จาซาได้เึ้นมายกกระพุต้องไปเห็นหัวไม่ได้ังสื่อเาว่าจำซานได้ไป่แดงผเห็นมาแล้วเดียซาแด้ผมเอใกล้ขอไข่จะไปเห็นหัวมันเห็นยังก็ไปผู้ล้วนวะผู้จำซานได้เมืนบะนวะผู้สอบได้นักธรรมตีตํามทัวใไปเห็นมันยังนักธรรมตีตํามทัวผู้สอบผู้จำซานได้เกิดปริยาตีปริญาโทจะไปเียนมันซ่านซานอีกคือมันเกิดมากรไปว่าเลวนว่าปริญาตีปริญาโทกรด็ นั่นก็คนจําตัรได้สนออันคนน้นบาเอาอันนึงว่าเป็นคนดีเเววครับเเววซื่อๆนี่แหะนเนี่ยนะครับเเาโดยอ่านๆ ค, คนดีเเววมันต้องกล้าครับคนอวดดีมันบวกกล้าครับอันที่ผมเป็นอนวดดีได้คนมีดีเอามาเเววสู้ฝังซื่อๆนี่ได้ครับอยู่นี้เนี่ยครับอันนี้กับส้มควนเนี่ยจบไปเพียงแค่นี้ครับมือดีครับ